ปฏิบัติผู้อาจารย์หรือผู้ต้งเจาสอนะไรเรื่องอื่หรือาตั้งจ้าตายจากใจของพวกเราทั้งหลายจิตเลือยจิตในจิตในกายใจยนี้เดียร์ข้อเดร์ะธรรมะที่จะประพฤติปฏิบัติปฏิเจรณ า, นนาเรื่องกายเรื่องใจเหมือนกันในอย่างนั้น สิทธิ์งคิตการปฏิบัติใจควาใจของเรากยากเร่นอยกห้องยึดถือเต่ามองคุณมัวเป็นปกติของใจที่คนไปอย่างเดยวสั่งละสังเกอำนาจความเห็น ยิ้มหลกบสมมติและจุดข่อเหลงไป ต, ตามในที่นี้ที่จะเรีนมาหาความจริงจากสิ่งเหล่านั้นจิตใจจึงไป่ยวคข้องยึดถือสมมติต่างๆในกาทำความเดืร้อนเฝ้ามองให้จากตัวเอง สสคสัสอนพระพุทธเจ้ายออาจารย์นามาพิจเจนานาแนะสอนการสละสารเรื่องของใจกคือการชินิพเจนสิงที่คล้องึถืสมมติต่างๆราหนของกายกายเป็นตัวปัจจานสำคัญ สิงอเราท่านยึดถือกันว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์และพระจ้าจึงให้ที่แจ้านหาทางให้จิตดูเห็นตามเป็นจริงเนืยวละถอนความยึดถือดังนั้นยิดจิตไปลมหลงยึดถือตามสมมติของโลกเพราะไม่มีอัตชัมในตัวเอง ไอ้เด็กที่นพรณาอเรเห็นตามเป็นจริงเชื่อมั่นตามโลกสมมติว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นทางธรร ม, มะจึงมีการที่พายที่นีิายณาตามตามเป็นจงของสิ่ ง, งนั้นั้นให้จิตเหนและวางเป็นนึ่ต่างทุกคน ง ไ, งงไง ม, ววม่ว่านักบวชหรือพรหัต์โดยส่วนใหญ่เหนงไหลไปตามบ่วงสมมติหญ้ว่าหญิงว่าชายว่าผัวว่างามว่าดีบ่าเด่นต่างๆหนงเป็นหัวใจคิดรักคิดชอบเกิดตามราคะตำหนักยินดี หากเหนรู ป, ปรรนนรส่ว น, นนั้นเป็นของทีง่ขี่เลือดี่เลือดในน่ารักน่าชอบก็โกรเสียในสิ่งเหล่านั้นทำให้จิตเดือดร้อนคุณเคืงในรูปแบบนั้นนี่เป็นดร่องสมมติทังโลกเมื่อมาที่เจรินาข่วนเหล่า น, นั้น ตามเป็นจริงทางธรรมะทุกสิ่งทุอย่างที่เราเห็นโดยตาพิจารณาเข้าไปภายในน้อมสิ่งนั้นมาสู่กายสุใจขั้งตนเป็นโอกณะยุโกพิจารณากายเห้แหวกทายเข้าไปทำหลวงไหลทั้งใจกว่ากายสวย ปวงดงอษงานนั้นมีนิดหน่อยยหนังที่บอกเนืงตาของเมล็ดนมีอักขำลนถ้าหากขูดยืหนังเหล่านั้นออกไปนำลงหรือลวดจะเยิ่มออกมาแล้วก็มันมีใฟตัดนากันเพราะเป็นของปกกก เป็นของไม่่าดูไม่น่ารักเป็นบาดแผนิดหน่อยขวงยดกันเลืเนื่องจากความจีงของกายเขาเพื่อจ้างจ้าให้ที่แก้าแยบทายเข้าไปดูให้ขวดถึงว่าตายนี้มีอะไรเป็นของสะอมีอะไรเป็นของหอมหวน มีอะไรเป็นของส่ยงามน่าชอบพิจนะให้ปวดหือไม่ว่าผมบากขวนกว่าเล็กว่าฟันว่าหนังเนื้อเยื่กระดุกเมื่อพิจนาเม่อความจิงใจเอาใจกดจ่อให้เห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นใจจะไม่นุ่มหลงใจจะไม่ยึดถือ เกิดตาอกำลังเกิดางยินดีแต่ตามสมมติทั้งโลกเพราะเรื่องท้องกายทั่วไปสกปรกเร่วงท้องกายทั่วไปเรืองของปฏิกูลเรื่องของสวงามอะไรมีการที่เจรนากายถูกต้องตามกับเลืองสติปัฏฐานมีพระพุทธเจ้าทรงชลฝนว่าเป็นทางลัดสำหรับการปฏิบัติ จิตใจงงเห็นตามเป็นจริงเป็นถึงขัานหยุดพ้นในสายทางอู่นเป็นทางลัดแต่สมัยปัจจุบันทุกวันนี้ควรชอบปฏิบัติทางลั์กันว่าอย่างนั้นได้ง่ายอย่างนั้นได้เองแต่ในที่ว่า น, นะความจินในใจจะหาทางลัดง่ายจนหยุด นิจยินียวของธรรมลุ่นในสึ่งพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้เวลาเราได้ผลได้ประโยชน์อะไรจึงจะชงใจให้หยัดเย็นให้หมุดพลให้ถอดถอนความตำหนัายินดีต่างๆถ้าหาพิจารณาเรื่องของกายโดยอุบายปัญญามีสติเฉลี่ยจ่อพิจรณาจริงจังเรื่องของกายเป็นอย่างไรทราบทราบอย่างนั้น ก่องของกายทั่วไปเป็นของสกปรกฟุโงเฟแล้วกอเป็นของประกอบโดยขดทั้งสี่ขาดดินขัด น, น, น้ำขาดลมขัดไฟมีเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะน่ายึดถือไม่มีอะไรที่จะน่าจิตใจไม่มีอะไรที่จะน่าหลงไหลความจีนของกายเข้าเป็นอย่างไรเมื่อพิจารณา เข้ใจคาติเกิหยิบก็ถอบถอนไม่เกี่ยวข้อไม่ยึดมั่นไม่ผิวว่าเราว่าเขาเข้าใจตามจริงจริงหน่ทางสฏิบัติทางการจัดความลุ่มหลงของใจไม่อย่างนั้นความลุ่มหลงก็จะลุ่มหลงด่วงไปเห็รูปสวยก็จะจิตเศ้าเสียความรักความชอบ เอน้ในเขืนน่นงานในจุดดางขึง้นตามเรื่องของใจพอใจมันเห็นตามเนจริงเรอเหมือนนั้นถ่าพรินาลรงไปเหยยดทำดีในเหยเอาใจจริขอของสอบฝนชิดที่ที่ทจรนาปฏปัญญ า, าสืบสอเห็นมนเห็นตามเนจริงแล้ว ลูกเราเชี่ยว้าญเมื่ออย่างไรแต่ที่อื่นอย่างไรเป็นของปูุกของทุกอย่างไรที่มีลูกคุณมาจะเข้าใจว่าลูกของเราคนอย่างไรลูกของศาสตร์อื่นคนอื่นเป็นอย่างนั้นเมื่อมาเล้งตัวพอมาเล้ยงคนอื่นมีความสุขความสบายพอจิตมาเลี้ยง ในเรื่องของกายกายจึงเป็นจิตตั้งสำคัญจิตนักปฏิบัติทุกท่านควรในมือ <c oughs> ในควรมองข้างความทุกิจารณาให้รู้ให้เห็นตามความจริงของมันธาตุทั้งสี่ไม่ว่าธาตุดินธาดนะำธาตุาลมธาดไปอยู่ภายนอกเป็นอย่างไรภายในก็เป็นอย่างนั้นเขาไม่รู้สึกรักให้จิตใจไม่รู้สึก อะไรทั้งหมดยินเราจะขุดจากคนจากฟักจากฟันจากตั้นเปนรูปวัตถุอะไรยินมไม่เคยดีใจเสียใ จ, เ ร, จเราจะเผาอยาจะเอาน้ำไปลบยิบ้มกูไม่เคยดีใจเสียใจกับใครธรรมชาติของยิมงนมภาพยิ้จริงๆเป็นอย่างนั้นธาตุขันขั้งพวกเราท่าน จุดนดินของมวลสารอาศัยกุดที่มืดหลงยึดถือเท่านั้นจึงเป็นที่เป็ทาทุกถ้าหากเรเห็นตามเป็นจริงว่าดินมันเป็นอย่างนั้นใจมนเขายึดมั่นถือมั่นในส่วนเหล่านั้นกว่มามนุษย์ที่เมาเห็นกันกว่าธาตุดินธาตุน้ำไม่ใช่ธาตอื่นลมไฟเป็นธาตุละเอียด จิงจริ้อนอยู่ในใจอันนี้ถ้าหากไม่ได้ไปเกี่ยวขอ้องสัมผัสจะไม่ปรากฏเหนามีไฟมีความอบอุ่นน่มก็เห็นเียงมันออกันเข้าเมละลายใจคนนั้นการเคางลงกันว่าเป็นจริงจริงเต็ชายจริงจริงไจงจงงานจริงๆความยึดถือขอวโลกของสมุท มันฝังแน่นอยู่ในใจจึงปวดทางกำนัดยินดีปวดทางเพลิดเพลินปวดทางเสียใจในในจึงนั้นนั้นในเป็นไปตามความมึ่งหวังของตัวเกิดทุกข์แขบเผาเรียกว่าสมุทัยดูทางที่จะทําใจของคนที่ยึดถือหลงไหลติดข้องเกิดปวกทุกข์เมื่อเราพิจารณาตาม สภาพของมันตามเป็นจริงของมันภาพขันอันนี้มีธาตุอะไรก็แยกแยะ yeah, yeah. ออกที่เจะะริญนาโสมกระจัดธาตุเปี่ยนตามเป็นจริ ง, ยงหยุดก็ท้ายตำัณฑ์ท้อยความยินดีท้ายความยึดถือและเบาสบายอยู่ในฐานที่ใดก็มีความฝึกตามสมควรแก่ yeah. เ่องของจิตเขาเม่จิดช่องไมยึดถูอหนีการที่นีพี่เจนะการปฏิบัติของนักปฏิบัติทางรัดในแต่ทาอูมนมีตัวสติปัญญาเป็นทางรักสติปัญญาเป็นที่ตั้งของสติมื่อแต่ เป็นทางสฏิบัติากาจัดยื่นพระพุทธเจ้ามีพยายามมีเสดไปเสดกว่ามนุษย์ธรรมดาสามารถทุกอย่างในทางสฏิบัติเป็นเป็นศาสดาการอื่นของโลกสอนทางมนุษย์ทงเทวดาให้ได้รับมรรคผลมาเป็นจำนวนมาก ทางลัดมันใช้ทางอื่นมักแตก็นมันใช่ที่อื่นอีกเหมือนกันควมีอยู่ในกายใจของผัวเราท่านสามมาทุกขีสามมาสังกัดโตความเห็นชอบดันงดิชอบมันมีอยู่ที่ไหนอะไรไปเห็นชอบไปดั่งดิชชอบนอกจากใจสองคนเห็นชอบเห็นอย่างไรเพื่อเห็นในวิปปิ แต่จากธรรมดามันเป็นด่างไรหุมนด่างนั้นอนการหุ่นช่อในหล่ไหลหุ่นทุ่นที่ฝทุกส่นทุกส่วนุก่าถ้าดูอยูดููเข้าไปทุกภายในดูเข้าไปทุกส่วนทุกส่วนทุกส่วน หากเกิดเห็นชอบคือเห็นทุกขทุกข์กวู้ความไม่สบายของกายของใจกายใจที่ไมสบายเพราะอะไรที่เรณาสืบสอบหาผลเหตุที่จะเกิดความไม่สบายขึ้นกว่าสมมุติไทยัีปัญหาทั้งสาม กายใจที่จะไม่สบายที่ยังอยากกันไม่ออกกวาเพราะอำนาจเัวะที่หสัดปัญหาความอยากท้องใจทําให้ปวดทุกข์ตามะปัญหาความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในอารมณ์ถ้ารูปดีลู สวยนุ่มจิหนื่อยช่อก็อกทำให้อยากให้จิตข้องเหน่ตามมาตัญหาการที่จะาที่เยว่าสัมมาทิฏฐิที่จะแก้ตามมาตัญหาเพื่อที่นาตามความเป็นจริงให่ถึงจิตที่สุดของธาตอย่างนั้นเหนื่อยตามเป็นจริงปวดอดถอนตามจิตคล้อง ความยึดถืของใจของตามไม่พิเด็ดออกจากใจได้ใช้ประโยชทุกเพราะความรักความชอบจ ะ, อ ย, ะ, บะบอยู่สะดวกสบายอยก่สมาธิถี่ความเห็นชอบเห็นท่าทดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําบุญเป็นบุญทําบาปเป็นบาปนั่นก็เห็นชอบเรื่องหนึ่งุเป็นเรองนอ ก, นอก ออกไปจากเร่องภายในเห็นชอบเรื่องจะถอถอนจีเนสคือเห็นเร่องภายในเข้าใจตามเป็นจริงว่ทุกปวดขึ้นเพราะส ม, มุทรไทยมืใจไปยึกถือไปจิดขอ้อนี่เป็นด้วสัมมาทิฏฐิคือการเห็นชอบไในจิดในใจ มันเป็นอย่างไรเห็นตามเป็นกินอย่างนั้นไม่มีการยุดมันม่นผูกพันในสิ่งต่างๆปล่อวางสิ่ ง, งทั้งหมดไว้ตามความเป็นกินเห็นชอบในที่เป็ น, นปดีดำดิชอบกอดดำดิหาทางออก จุดจข้องในรูปในเสียงที่พยายามหาทางออกจากความจุดข้องท้องใจดัมีิอยู่เสมนถังตัวเน็ตธรรมะสังกัคโตดัมีิออกในดัมบิเข้าในดัมบิปิดต่อทจุด ยิ่งพิจารณาตามเป็นจริงนมิหาทางจะออกจะแก่จะหายจิตใจของตัวให้หายจากความเมัวเมาเศร้าหมองความผิดพลองต่างๆนมิ <c oughs> ออกจากทายาบาทอาฆาตควาร้อนเพราะจิดถิดคิดฟุ้งบึ ง, ปงไปอย่างนั้นทำให้ตัวเดดร้อน แผบเขาปดทุกข์บัรลีในการในเบียบเบียนคนอื่นตัดอื่นมันเวี่ยว่าหวี่ยงสมาสังกับโปรนีสมาสังกัปโตะไม่ด้หลุดไม่ด้หรุดก็เพือใจแ็่เพืออื่นอว่ามัดขน มีอยู่ในตายในใจความดีทั่วต่างๆราตอนมาจากที่อี่งเก่ขึ้นจากตัวของเรามีกายใน ใ, นใจทานั้นนะว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกับโตเป็นตัวปัญญาเป็นหัวหน้าของมักถ้ามีปัญญากวาสามารถที่จะทำอะไรให้สำเร็จได้ตามตามศาสตรขณ หาปัญญาไม่ไ ng ด nah, ้จ hey, er, nah. hey, hey, ่ทาอะไรก็หมดเนไปหมคาทั้งหไม่รู้ดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงยกปัญญานาหน้าโยงท่องมัให้ที่นึกทุเจ้นะปวดประจิให้ปวกปัญญาให้เห็นชอตตามเนจิงามาว่าจาวชอตเวลจาชอบว่าจะข่มมีอยู่ในตัวอีก ก็จะมีอยู่ที่อื่นตาวอย่างไรตาวช่อตาวที่คนที่อมงคนตาวที่มีหัวมีผลยังฟูรสดับรับฟังเทรับประโยชจากการสดับรับฟังเหมือนนั้นจะเป็นตาวอ่อนหวานหรือเป็่าวหยาบทายอะไรกต่างแต่ตาวมีเหตุมีผล การดความจริงใจผูทถ้งโนอกผูก้อาจจะผุกพัตเมต่าทุพเต่าฝดเมตตาสอเวียดเมตตาหวาดหายต่างๆทุกอย่างว่าว่าีผุดพันแต่ผู้ปฏิบัต อัดทำทางศาสนาผูกกะละจะสอนกล่าวใาจะชอบหมายถึงชอบภายในผมอะ่ะกล่าวสอนใจทั้งตัวเพื่อจะให้มีสติ์ัานยาให้มีความเชี่ยวกลิ่นในตัวชน เราจะกล่าวทำบริกรรมทำสติให้อยู่กับวาจานั่นั้นไม่ให้จิตหงุดหงไปในที่อื่นเวล า, า ท, ที่ว่าวาจ์ชอบทำจิตให้ดบี่ง ใ, ให้แน่วให้หยุดในการปรุงแต่งสังส่งกล่าวสอนใจทั้งตัว ให้หยุดให้หยูให้พักให้พอดแล้วมากำมันโตการงานชอบตัวหมายถึงกา ร, ง า, า ง, กการงานที่เราหยวกเบียนคนอื่นตัดอื่นเป็นการงานสุจิเถ้าพูดถึงนอกทางโลกพูดถึงนอกทางทําทา ง, ททางทาพูดแบบพฤติบัติ การงานชอบโอเคเดินโปร่งๆภาวนาลมาจิตใจทั้งตัวคนคิดติดตามผักไร้สายส่งที่เหนจิตจิตยึดมั่นสาคัญหมายต่างๆทําอยู่ทุกตารทุกเวลาในการส่งละชั่วบําเพ็ญดีหูุนเชื่องานชอบของฝูงตระเวนปฏิบัต เหเป็นยิมันตกออกอกย่างไรมันหลุดไปอย่างไรเหตุผลเกิดขึ้นกับใจของคัว อ, อย่างไรเข้าใจในการที่นิพพานในการกำหนดรักษาในการงานทอดสัมมาตะามันตดของผู้ปฏิบัติสัมมา UE, อาชิวะโยคิสัพเพอเข้าไอคไ อัดหาธรรมมาแนะนำสอนใจตัวให้ชิดฟุ้งอยู่ในขอบเขตของอัดธรรมมีสติมีปัญญารักษาอยู่ทุกปางทุกเวลาใจไม่เดือดตีชิดฟุ้งเรื่องนอกใจก็มีความเยือกความเย็น มีค่ามสงบสงบอยูตามอูเห็นตามเป็นจริงได้หย่นใจทั้งตัวให้คลอดให้ส บ, บายให้ชิดซ่งในในเนี่ยผูส้อสอนทำยหาทางแนะสอนบปล่อยห่อนความจิตของทองใ จ, งงใจย่ใจทั้งตัว ไม่หงขัวไม่เหียัเป็นในอารมณ์ปัญญาต่างๆนีมอเยี่ยูท่ชอบภายในมีสติปัญญาสอนใจรักษาใจให้ใจโดยดูอดอาจทำความจริงใจจะจะมีกำลังสมาวายะโมเยี่ยนชอบห้ใจอีใ ที่จะปเกียนทิน้งยางและต่อใจวา่าจะทำตามเหงืยย่ของใจเยนในที่ที่ะถานอย่างสำหรับตรรดาสาวเอาไว้วหยระวังความชั่วไม่ให้เข้ามาเก่ยข้องตายวาจะาใจของตัวยนกาจัดความชั่วที่มีอยู่แล้วก็้กดกไปหมดไปหุ ด, ดไป ย่ายินดีปวดรักษาเอาไว้ความทั่วต่างๆยันยังความดีสติปัญญาวิชาดีมุิให้ปวดชุดเมื่อปวดหมนเป็นได้ยันรักษาอย่าให้สิ่งเหล่านั้นหลุดหายตกโล่นไปเบกขวะสำมาวายาโมออยุยันชท่เป็นมะเป็นทางลัดที่จะปฏิบัติตัวของตัว หรารู้เห็นเด่นชัดสมาสติตั้งสติชอพาะท่านก็ป่อเอาไว้ในกำหนดสติไว้ในสติปัฏฐานทั้งสี่มีความใจที่อื่นที่ใกล้สติปัฏฐานทั้งสี่กา ย, ยาในกันจจนาสนติปัฏฐานมีการกำหนดกายอย่างทีท่อธิบายมาที่กรจนาให้แยกกายกาหนด อยู่ทุกอยู่ทุกวันทุกวันกาหวดให้เห็นเหรอตามตปนจริงอย่าไปเอาวรื่องของสิเลมาวกแสงใจว่ามันมีอย่างนั้นมันสวยอย่างนี้ให้พิจารณาใจหยาบทายให้เห็นตามเป็นจรงเรายังมอห็นเกิดป็นอุกขะหะการทาภายในก็ให้อนุมาน นเรื่องวกายมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ดูง่ายๆดับๆ่อคอยเหนเรืยององกายในนี้อะไรที่น่ากำหนับยินดีในนี้อะไรที่จะงามพอจะจิตใจรุ่มหลงเลาที่เราเหนลรไปได้ก็เพราะมองมาเห็น ตกหล่นออกมาทางนอกแล้วสร้างไหมเงินไม่ได้แต่ลายของตัวเปิดดีกนหดใด่เพาโ่กะปันหลุดออกจากปากก็เหมือนกันมีน้อยปากน้อยชี้ว่าฟันเสียอย่างนั้นฟันเสียอย่างนี้พอหลุดหล่นออกมาจะน่าเกลยดทั้งสิน่อเน้นในป็นเขาของ ุกสิ่งทอย่างในกายพอพีจะเห็นได้ว่าต่างใจของในตายของนอกตายท่าเอามาห่อหุบเรื่องขอายเท่ากัยังมีเน่ามีเน้นมีแต่จะปูนซึ่งเวกอขาอาสนะต่างๆไม่วนั่งแลนอนก็ได้ว่ากายมั่เป็นตัวโผลกๆบากมต่ทพ่แต่ที่เจอมาเรื่องของกายเห้ียดทายตามจริง แต่พิเวนาในเรื่องของปฏิกูลในห่องอสุภะแต่พิเวณาเรื่องของธาตุแ่พิเวนาอย่างไบายมาว่าธาีมาเป็นกายคือดินน้าไฟลมธาตเหล่านั้นความจิงของมันไม่มีอะไรที่จะน่าหลงหลงและเขาเองไม่เคยเถิดเพนหลงหลงกับใ มือใจไปนุ่นงหลงกับเขาแติเชน า, าเห็นว่าเห็เป็นธาตจริงๆแต่พอพิเชนาค่ะเรื่องร่งกายเป็นอย่างไรพิเชนาให้ยาบหายเข้าไปให้ถึงความจริงของมันใจจะมีความสงบใจจะมีความหยั่งยันใจจะรู้ทุก์เนา กายแบนั้นทั้งาย้งตเองทั้งกจทั้งคนอีกสัตว์ยึดตัวสม่ำเสมอในนุ่มบุ่นบอลบอลเนรักไม่ชอบเร่อยู่สะดวกสบายนี่สิที่เจรนากายที่เจรนาวยนาความเจ็บปวดผูกเชือกต่างๆมีอยู่ในกายในใจตนเหตุการเป็นจริงอีก การเปวดเหล่านี้เ็นเรื่องของายหรือเป็นเรื่อทของใจคำว่าเวทนามันเป็นขงแสงอยู่ในกายในใจรืปนกดมาจากกายจากใจจริงที่นคนที่เห็นตามเปนจริงว่าเวทนาแต่ว่าเวทนาเป็นภาพอันหนึ่งซึ่งเกิดจจากกายจากใจแต่ก็ไม่ใช่เร่ององายของใจผู้ตายไป ไม่มีเวทานาหยิดออกจากกายไปแล้วไม่มีเวทานาอ่างเวทนาทีม่มีอยู่ในกายกับจิตนี้เป็นอย่างไรมีสติมีปัญญามีจิตละเอียดรู้เห็นตามเป็นจริงเพราะเวทนาก็นนามวัตธรรมแสดงออกให้รู้ให้เห็นปัญญาเป็นนา ม, มานนนาวัตา ม, มาสามารถที่จะเท่า ดูเห็นกันได้ถึงกันได้การที่เจรมาดวงของเวทนาการเจรณาได้แยบชายเท่าไรใจก็เลยมีการตื่นเช้นเมื่อปวดผุดทุกต่างๆขึ้นมาก็เคยใจว่าเป็นดวงของเวทนาเ็นสายดวงของจิของกายแล้วมัากิดแตกเกตายก็ไม่ใช่อันอื่น อยู่แล้วทิไ้ทุกหกลัวอย่างอย่างา่งท้งเรืท่นาผู้ที่ในใเป็นอย่างไรเข้าใจอื่นหน่คือจิตละเอียดจิตเห็นจิตเขาถงจิตจริงจัวผ่เห็นผูจริงจัเป็นอย่างนั้นเวลาหนึงยึดมันจิตช่ในเรื่องช่องกายท้งเรือท่านาจิตคามคิดง อย่างแข็งขันก็เองนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งนักปฏิัิจะิจารหูเห็นตามเจริงะสตเบนี้อะไรรอะวเป็นอารมณ์อันหนึ่งซึ่งแฝงอยู่ในใจ ในเขตความบริส er, ุทธิ์ความบริสุทธิ์เป็นอย่างเราจะเข้าใจอีกนี่คือผู้ปฏิบัตินีเห็นตามจรงจีนใช่ี่แจ้งในเหงื่อขางจิตจิตธรรมดาาในปัจจุบิตใใส่เนงือของจิตจิตบริสุทธิ์เอ็มเจอแข่งยู่ตายในจิตในาจิ สิบวันสุดมันจึงละได้ถอนได้ทำส่วนคือสูญทำเอาสูญทำสิมันปรุงมันคิดมันมีอยู่ในตายในจิตของทุกคนปกติเขาไปเจ็ดจอจิตนิจารณาจริงจังเอาปัญญาเขาเข้าควรสืบสอบจิตจะมีวันเวลาสงบรงงับ ขอาอนความยุดถือต่างๆบวกว่าสามาสติเื่องสติขวัคิดที่จะรด้นากายิตอยู่สม่ำเสมอสามาสมา ส, มสมิความตั้งมั่นของใจความตั้งใจชอบก็อคือชอบในอัดในทำชอบในเหเตุผล ความหนักแน่นขั้งใจหยิ่งเหีวุ่นวผลตามเป็นจริงไม่หวั่นไวหววอกแวกเหมือนจิตที่ยังไม่หสุขหัดดักตัวดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนพวกเราผู้เป็นนักปฏิบัติให้ฝึกหัดอบรมในต่อไปหาที่อื่นทางลับไปอยู่ที่อื่นหน้าที่ของเราจะที่ไม่พิจานณาอย่างไรทพิจาราไป เหมือนกันกับทานอาหารอยากไปทานรัดไมเ่เคยมีนะเราทานมานานแล้วไม่ต้องทานเดี่ยวไปเราจะไปนานรัดเอาทีเดียวที่ทานทำเดียวก็ดื่มน้ําเอาเลยอยู่เป็นทางรักแลาบ้านอื่นน้ําสําลานไหมมันมีกําลังไหมชอบไหมทางรัดแบบไห้นไม่ชอบทาไมชอบก็ต้องทานเดี่ยวไปหน้าที่ของใจ มันจิดห่องอะไรมันกวจะต้องแก้ไขส่วนนั้นทำความเพียนมันว่าเหมู้นว่เห็นกับทุจริตนะไอ้มันว่าเห็นมัน็นมันเกิดแม่ใช่แต่รัดไปทีเดียวต้องมาอิ่มโดจะไปดูดน้ำอ๋อให้มันอิ่มมัน็นไปไหนได้การที่แกมาหนึ่งของจิตกับทางนองรวกัน ทางลับไม่มีทางอืน่นนอกจากมัดแต่นอกจากพฎีปัจฐานที่พระพุทธเ จ, จา้าสอนเอาไว้ผู้ใดตัวที่ปฏิบัติต่างหน้าต่างๆพิจนารณาจริงจังหนึ่เป็นทางรับคนนั้นจะมีความสงบทสงบจะมีการละการถอนการปล่อยการวางจากที่มดปัญหาต่างๆมองเห็นเด่นชัดและเจริญจิตใจของเรา เคของิดอย่างไรเมื่อพี่เจ้ามาอัดทำคำสอนของพระพุทธเจ้าตามเป็นจริงแล้วรูปเสียงนีอยู่ในโลกไม่ผานจากโลกแต่เราก็ไามา่ติดในรูปเสียงเหล่านั้นคอยเขียนประจับพัดเยนในตัวอยู่เพื่อการละได้ถอนได้แต่ละยังไม่ได้ถอนยังไม่ได้ที่ยังลาลไป เนจิดมันพอเมือ่อใดมันแจกทายความเย็ดขี่ผลลัพธเรื่องไปเองเอารมณ์สัญญาสั่งข่าวพิจนาพอของมันเป็นอย่างนี้นยังไม่พออ ย, อ, อ, ยนนยอยากจะให้นั้นพอยังไม่เต็นเนี่ยไม่เห็นไม่อยากใ้นั้นเห็นอยากจะเดินแต่ทางัดมันเนต็เนไปหได้พิจนา การที่เจรนาใจาเป็นเรื่องของทางลัดถพอว่าผู้เจ้าฉวยจปฏิบัติมาไม่มีทางอื่นจะรัดยิ่งกว่าการที่เจรน า, น, านัดแสะหรือสกุลปัะทานเราทุกคนมุ่งมั่นมาปฏิบัติไปเข้ามาเล่นมาเทนมาดูสถานที่มาทัฒนาจอนให้วุดนวน จะทำบำเพ็ญสงบจิตใจทังคนให้เป็นสมาธิมีาตั้งมั้นมีความสงบสงัดมีความวามีความเบาสบายของใจไม่อย่างนั้นก็ไม่ชื่อว่านักบเป็นักพัฒนาจลชจ คือนันก็เคยไปที่นั่นก็เคยเห็นคือองค์นั้นอาจารย์องค์นั้นเคยไปศึกษาในจิตใจของตัวเป็นอย่างเราในค ำ, ำนุนคำนุนเมื่ออ้างยัง ก, ก็อ้างแล้วแต่คืออาจารย์ที่ทำดีท่านเด่นแต่เราจมัมหรู้ไม่เห็นในเป็นอะไรกับตัวของเราอยู่อย่างนั้นดางหน้า่างตาศึกษาดัางหน้า่างตาปฏิบัติบำบัดทั้ ง, งท่าน มันเป็นขางทาสมบัตของเรายิ่งจะเป็นของเราคํามรู้ความเห็นคือท่านแม่สอนหรือตหลักตำลาที่บ่งบอกเอาไว้นั่นเป็นสมบัติของท่านถึงเรา้งรู้เข้าใจเว้ญาว่าจิตใจของเรายังไม่ปลีปัญญายังไม่ปลี่ยทางในตัวเมื่อเราไปพิจารทบัต นีเห็นเป็นขึ้นของเก่ากว่าแต่ทับใจเขามันทับเปกี่ยนไปจากขึ้นรูห้องเก่านั้นเหมีเห็นเป็นสมบัติของเรามันประทับขึ้นอีกการราการถอนการยึดการถือใช้ก็เรียนได้ศึกษาได้ในง่ายแต่มันเป็นของผู้รู้ ท่นมาบัญญัตเอาไว้ท่านสอนเอาไว้ในใจของบัตรขังใจเราถ้าเป็บัตรของใจเรามันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ายไวจะได้จะเห็นมันยากมันลำบากมันใช่เล่นเหมือนกันแต่รู้เห็นแล้วจิตใจมันยินงแย่แจ่มใสจิตใจมันมีสติหยิ่ใจ เพราะเราได้สมบัติจากการประพฤติปฏิบัติทั้งตัวถึงใดหนนาะแมีคุณค่าเพราะงั้นการศึกษาศึกษาได้มากเท่าไหร่คุณค่าเนี่ยถึงมีเพราะที่เหนือปัญหายังคงส่งทชงวายอยู่การประพฤติปฏิบัติตามไรจิตใจจิตสงบเงงเงอมไปละขวันจิงต่างๆออกจากตัวยังเล็น่อยห รู้สึกว่ามีความสุขควางสบายมากพอมันเป็นมันเห็นได้สัมผัสจากธรรมจริงจังของดีหายาหรือทำวันนี้เดือนนี้ไม่ได้ก็พยายามทำไปไม่ได้มีคุณค่ามากของบดงที่มัน สะสมเงนคิดติตามมันมีอยู่ทุกคนทุกตัวัหลังไหลมาอยู่ทุกวันทุกเวลาเาไม่มีคุค่าหาแต่เป็นสารประวอยนกอสอดีมีคค่าถึงจะอยู่เลยเขาใหิ้งขแ่ขนาดไหนเาก็ยังไป เพราะเห็นวัาคุณค่ามันมากมีการทํ า, าความถาดความเปียนทางใจของเหมือนซันถึงจะไม่ได้ในเห็นตามความมุ่งม า, า, าน่นจากฐาของคนแตพยายามจะทําบําเพ็ญอยู่นั้นในวันเดียว็ันหนึ่งจะเกิดเหมืนเป็นได้ในอย่างนั้นธรรมะเป็นโลภคอย่าีใครที่จะไปพูดปฏิบัติกันโลภากัน ที่นี้เจญศึกษาตั้งหน้าตั้งตาตำกำหนดตามอัธยามคำสอนของพระพุทธเจ้ามักนลดูที่ใดอุปตาโคตรขึ้นจากใจของสุขอย่างไปหาดูที่อื่นมรเป็าานของสีสั่งเอาได้ผลจะตาโคขึ้นเมื่อใดหนังเป็นเหนือเของผล อให้เรื่องความผ่าความเคลืนประเภทปฏิบัติรักษาจิดรักษาใจได้ขอบเขตของอัดรับคนนั้นในวันใดกววันหนึ่งจะถึงแดนขนทุกโดยไม่ต้องสงสัยพาเดินทางสายเดียวกันกับพระภูตเจ้ากับครูอาจารย์ที่ทำประเภทปฏิบัติมาก่อนบนทา เป็นอย่างไรกายทางทธันไปถึงเราเดินตามส้สายอันเดียวกันเรจะเห็นจะตอย่างนั้นขอพยายามเดินอะ่ไปหยุดไปพักอย่าไปยแวะจะสทางติยปัญญาอย่าไปจิดตามอารมณ์เขาคิ่าปัญหาอย่าไปเผทิไใ้สิ่งทีู่่ายุ จิตใจแหมัวมาเหตเทนต่างๆพยายามบังคับจิตจิดตามอัจทำผิดทายเหวีย่บบยงท้างใจให้ะอยกทายเข้าไปหัวใจจะเห็นตามเป็นจริงได้ผิ่ทางทำจิตทำใจอะไรนะรับความสงบความสงัดทางปฏิบัติในทางอื่น ลับไปที่ไหนลับไปเถอะถ้ า, าหากไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความเพียรละไปขนาดไหนก็ไม่ถูกจุดให้ตกหมิ่นตบบลงเหงตายไปเสียปะ่ะถ้าหากตั้งใจกำหนดอย่างตาอยางจิตทีมนี่ที่กรรณา ไม่ชอบเกิดท้องทำคนนั้นแหละถึงเลยถึงจิตยืดหยุ่มยืดมุดความคันเบาความสบายใจตามระยะจี่ใจเตือนที่ยังมีสติมีปัญญาเกิดขึ้นผลผลในการปสาธิตปฏิบัติทั้งตนเชื่อมั่น ตือนใอยากจะทำมลเพ็ญพออันนี้ส่งเราเหนเด่นในใจอยู่